ตอนเรื่องของเซนวันที่ส0บกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าก็กราบน้ำมการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกาลยมิตรทุกท่านนะก็นั่งสบายๆเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์นะในอดีตเราเคยพูดบรรยายทุกคืนวันเสาร์ แล้วก็วันเสาร์ตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นดูภาพยนตร์ซีรีสพุทธเจ้าต้องดูบ่อยๆนะจะได้ไม่ลืมพระองค์ตอนนี้เราลืมพระพุทธเจ้าแล้วเราจําแม่นแต่เรื่องมือถือรุ่นนั้นรุ่นนี้นเบื่อโทรศัพท์จาแม่นมากแต่พุทธเจ้าจาไม่ค่อยไดนะ้ต้องดูบ่อยๆเป็นการกระตุ้นเตือนสติก็วันนี้มีสองสามคำถามนะ ก็เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะครู27ปีไม่เคยลืมอะไรเลยเพราะวันนี้มันไม่จําเนาะถ้าอะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลอะไรพ่อครูก็คือคือดูแล้วก็โนต้ตไว้โนต้ตไว้โนต้ตไว้โนต้ไโน ต, ไ ว, นตไว้แล้วจับข้อความที่สำคัญใช้ภาษาง่ายๆสื่อกันให้มันเข้าใจเราต้องไม่ต้องการความสวยงามทางภาษาแต่ว่าต้องการเนื้อหาสาระ ทีนี้เอาคำถามสุดท้ายก่อนก็นแล้วกันเส้นคืออะไระเส็นคืออะไรก็วันนี้ทั้งสองสารคำถามนี่โยงเกี่ยวกับเรื่องเส้นหมดล่ะนะบางคนเรียกศาสนาเส้นบางคนเรียกลัทธิเส้นจริงๆแล้วเนี่ย เซนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะทีนี้จุดเริ่มต้นของเซนก็คือตอนที่ท่านพระโพธิธรรมพระโพธิธรรมเนี่ยเป็นองค์ชายสาม อ, อ, อยู่ที่เมืองหนึ่งนะเป็นองค์ชายสามแล้วก็ท่านไปบวชอาจารย์ท่านเป็นภิกษุณีนะแล้วก็พอท่าน บรรลุธรรมแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ดำดีให้เดินทางมาในแถบนี้เป้าหมายสุดท้ายก็คือประเทศจีนพระโพธิธรรมเนี่ยไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกนะไม่เน้นเรื่องวิชาการพอท่านเดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วเนี่ยท่านเป็นคนนำเอาพุทธศาสนาเนี่ย เข้าไปในจีนนะทำให้เกิดเซนที่เป็นการบูรณาการระหว่างอัจฉริยภาพทั้งสองของอินเดียกับจีนนะเซนไม่ใช่ของอินเดียแล้วก็ไม่ใช่ของจีนเซนเป็นทั้งอินเดียแล้วก็จีนและเป็นสิ่งใหม่ที่ได้จากอินเดียและจีนมารวมกัน เพราะเซนเขาไม่มีเขาไม่ใช่ปัจฉยาเขาไม่มีหลักการอะไรตายตัวนะที่เรียกว่าศาสนาเซนพ่กครูไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเขาไม่มีการจัดตั้งนะเขาไม่มีวิชาการเขาอยู่กันแบบปัจเจกนะทีนี้ถ้าเราไปถามชาวอินเดียที่เป็นพุทธชาวอินเดียที่เป็นพุทธถามเรื่องเซน พวกเขาอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระชาวพุทธแบบอินเดียมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะในสีลังกาที่พม่าหรือในไทย mm hmm. พวกเขาคล้ายๆกันไม่มีใครพูดเรื่องเซน mm hmm. พวกเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ตลกขบขัน mm hmm. นะถ้าเราไปถามชาวพุทธสาย mm hmm. อินเดียนะเพราะเซนนี่ไม่มีอะไรตายตัว เหมือนไม่มีอะไรที่เป็นเป็นรูปประธรรมนะแต่ถ้าเราไปพูดคุยกับชาวเซนไม่ว่าจะในจีนหรือญี่ปุ่นและถามถึงเรื่องพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกอันนี้กลับกันนะถ้าเราไปถามชาวเซนซึ่เป็นคนจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเราไปพูดถึงเรื่องพระไตรปิฎกของเราเนี่ยนะนะพระคาสอนในพระไตรปิฎก พวกเขาก็จะพูดว่าเผาตําลาทิ้งเสียเถอะหลักการอันเป็นนามมาทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระมันจะทำให้ผู้คนไข้เขวไปจากความเป็นจริงมันต่างกันฟ้ากับดินเลยนะไม่ใช่ความคิดเซนไม่ใช่ความคิด มันเป็นความรู้สึกนะเพราะครูก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะค่อยๆฟังเด็กๆก็ฟังด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันลูกฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องมันช่างมันนะฟังปึ๊บไม่ต้องไปคิดเพิ่มฟังแล้วเข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจก็ผ่านนะเซนเป็นเรื่องการบูรณาการเป็นปรากฏการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายในเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ไม่ใช่หลักการซึ่งเป็นทฤษฎีไม่ได้พูดอะไรในเรื่องสัจจะความจริงแต่เป็นการสัมผัสสัจจะความจริงด้วยตัวเองสัจจะความจริงที่เป็นเหตุผลเป็นวิชาการเขาไม่พูดนะเป็นการปลุกให้ท่านตื่นเซนไม่ได้มอบทฤษฎีใดๆให้กับท่านท่านไม่ต้องใช้คำพีใดๆ เซนคือสิ่งเดียวที่ไม่มีคำภีร์ไม่ยึดหลักการคําสอนหรืออุดมคติใดๆทุกทฤษฎีมีข้อจํากัดของมันแต่เซนเป็นประสบการณ์ที่เปิดกว้างไม่มีขอบเขตจํากัดสิ่งแรกก็คือในเซนนั้นน่ะไม่มีทฤษฎีสิ่งที่สองก็คือไม่มีสิ่งที่เรียกว่านักเรียนเซน ไม่มีคำว่านักเรียนเซนนะมันเป็นไปไม่ได้นักเรียนจะมองหาทฤษฎีนักเรียนต้องการจะเป็นผู้ทรงความรู้นักเรียนจะต้องไปหาครูจะต้องไปวิทยาลายัยไปมหาวิทยาลายัยนะไปหาสถาบันที่ให้ความรู้เซนไม่มีทฤษฎีดังนั้นเซนจึงไม่มีนักเรียนไม่มีครูผู้สอน เซนมีแต่อาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์ไม่ใช่ครูผู้สอนบทบาทของอาจารย์แตกต่างจากครูผู้สอนอย่างสิ้นเชิงครูผู้สอนให้ความรู้แก่ท่านแต่อาจารย์สอนให้ท่านทิ้งความรู้ดั้งเดิมที่มีคนหนึ่งสอนให้เพิ่มความรู้คนหนึ่งสอนให้วางความรู้ที่เรามี ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะนักเรียนต้องการต้นไม้แห่งความรู้ต้องการจะกินผลแอปเปิ้ลให้มากที่สุดนักเรียนอยู่บนเส้นทางแห่งอัตราตัวตนต้องการจะรู้อยู่กับคำถามแต่ไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองแต่ผู้แสวงหานั้นแตกต่าง ไปอย่างสิ้นเชิงผู้สแสวงหาไม่ได้เอาแต่คขวยคว้าตัวความรู้เขาต้องการจะเห็นต้องการจะเป็นไม่ใช่แค่ต้องการจะรู้เขาไม่ได้สนใจที่จะได้ความรู้มากมายเขาสนใจในเรื่องการมีชีวิตที่บริบูรณ์เขาก็พร้อมที่จะทิ้งสิ่งต่างๆที่เขารู้มาทั้งหมดทิ้งไปหมดเลยนะเขายอมสละได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้สแสวงหาไม่ใช่นักสะสมนักเรียนคือนักสะสมเขาสะสมสิ่งต่างๆไว้ในสมองสมองของเขามีพัฒนาการทางด้านความจำแต่ไม่ใช่เรื่องของความตระหนักรู้ผู้สแสวงหาไม่สะสมไม่จมอยู่กับอดีตเขาเก็บไว้เฉพาะสิ่งที่จาเป็นต่อการใช้งานแต่เขามีพัฒนาการในด้านการตื่นรู้ เขาเปลี่ยนพลังที่ใช้ในเรื่องการจำไปใช้ในเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ผู้เป็นนักเรียนย่อมจ่ายแค่เพียงเล็กน้อยจ่ายค่าเทอมค่าใช้จ่ายเนอะแต่ผู้ที่สแสวงหาพร้อมที่จะแลกมาด้วยชีวิตนักเรียนสนใจแต่การตั้งคำถามผู้สแสวงหามองไกลไปกว่าการถามมองไปสูงที่ ไปไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการหลุดพน้นการตั้งคำถามหมายความว่าต้องการจะรู้การหลุดพ้นหมายความว่าต้องการจะเป็นอิสระเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงต้องการจะหลุดออกจากกรอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติคำสอนของศาสนา หรือสิ่งที่สังคมบัญญัติขึ้นมาไม่ต้องการจะตกเป็นทาสอีกต่อไปต้องการจะได้รับอิสระภาพสภาวะที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์นี่ก็คือการหลุดพ้นทีนี้พวกครูก็ไปเห็นตัวอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเซนตอนนี้พูดถึงเรื่องคริสตหน่อยหนึ่งศา ส, สดาจารย์นิโคเดมัส เขาเมาื่อเขามาเพื่อค้นหาความรู้เขาเป็นครูสอนศาสนาชื่อดังเป็นกรรมการของวิหารใหญ่ในกรุงเยรูซาเลม็มที่เขาไม่เข้ามาหาพระเยซูในตอนกลางวันเพราะเกรงว่าคนจะหัวเราะเยาะเขาผู้รู้ผู้ยิ่งใหญ่าศาสดราจารย์ที่มีคนรู้จักมากมายกำลังมาหาชายคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดา มีลักษณะ้ายฮิปปี้ด้วยซ้ำไปพระเยซูนั้นเหมือนกับฮิปปี้ที่เดินทางไปกับกลุ่มฝูงชนผู้ด้อยการศึกษามาจากสังคมชั้นต่ำหลากหลายอาชีพมีทั้งโสเพณีและผู้ที่สังคมไม่นับหน้าถือตานิโคเดมัสเขาไปหาพระเยซูในตอนกลางคืน เพราะไม่ไปไม่กล้าไปกลางวันเพราะอายคนแต่ลึกๆตัวเองไม่มีคำตอบก็อยากมีความรู้อยู่แต่ก็ยังอายไปกลางคืนนะเขาถามว่าอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ท่านพลั่งพูดถึงนี้มันคืออะไรกันแน่ข้าจะรู้ให้มากกว่านี้ช่วยบอกข้าทีพระเยซูตรัสว่าเว้นเสียแต่ว่า เจ้าได้เกิดใหม่ไม่เช่นนั้นเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าที่ข้าพูดนี่คืออะไรสิ่งนี้เกินกว่าที่นิโคเดมัสจะเข้าใจได้ต้องเกิดใหม่ต้องลงทุนขนาดนั้นเชียวหรือตายแล้วไปเกิดใหม่มันไม่มากไปหน่อยหรือใช่อันนี้คิดแบบนักธุรกิจเราต้องการเพิ่มความรู้ทําอะไรได้อะไร นี่นักธุรกิจแต่ทางพ้นุกทุกมันออ p o s i ร e สิมันตรงเงินข้ามนะทำแล้วมิเตเวียมทิ้งไม่ได้อะไรเลยนะไม่เหลืออะไรเลยทีนี้เอาความรู้แบบตรกาเนี่ยมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณพระเยซูถึงบอกว่าถ้าพูดหนักๆว่าไปตายก่อนซะเกิดมาใหม่เป็นเด็กๆเนี่ยจิตบริสุทธิ์แล้วจะเข้าใจที่พระ อ, องค์พูด ถ้าคุณแบกไอความรู้มาด้วยเนี่ยเหมือนน้ํามันเต็มแก้วนั่นแหละมันใสเข้าไปไม่ได้ไม่ว่าศาสนาใดๆเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเราจะหาคําตอบด้วยตักกะไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเราวิ่งแสวงหาวิธีการนะวิธีการนั้นดีวิธีการนั้นดีเพื่อเราจะได้อะไรเราคิดแบบนักธุรกิจทั้งนั้นนะอันนี้ก็เกินเกินให้รู้ว่า เซนนี้คืออะไรกันแน่อ่านไปตั้งนานแล้วมันไม่ได้คืออะไรเลยเขาไม่จัดตั้งเขาไม่มีองค์กรปกติเกิดเกิดขึ้นที่ประเทศจีนหลังจากจีนเปลี่ยนการปกครองใหม่นะสมัยเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยเขาไม่เอาศาสนาไม่เอาเรื่องจิตวิญญาณเซนก็ขยายไปสู่ที่ญี่ปุ่นนะหลายปีก่อนมีครูบาอาจารย์พระคุณเจ้า แล้วก็ภิกษุณีสี่ห้ารูปเป็นพระผู้ใหญ่นะมาจากไต้หวันมามาปฏิบัติกับพระครูนั่นแหละท่านไปฝึกซาเซ็นที่ญี่ปุ่นซาเซ็นนี่เอาเป็นเอาตายเลยนะนะเซ็นเนบในภาษาจีนเรียกว่าฌานคือฌานนั่นแหละคือเข้าไปในจิตนะท่านก็บอกพระครูว่าท่านมีพลังนะมันหมุนแล้วท่านได้ยินข่าวพระครูท่านถามแค่ว่าจะเข้าไปในจิตได้ยังไง เนื่องจากเขามีพื้นฐานเขาฝึก open, open, open, ออกเป็นเนอตายเขามีพลังนะพวกนี้ขั้นวัดเดินลมปานปั้นพลังงานแต่เขาไม่รู้วิธีเข้าไปเพราะกูบอกพระอาจารย์ก็เปิดประตูเข้าไปเลยสิท่านไม่เคยคิดอยากเข้าไปเลยท่านมัวมีแต่ปั้นพลังตรงนั้นแหละท่านทำอย่างไรท่านก็เป็นอย่างนั้นท่านก็ได้พลังแค่นั้นท่านก็เกตนะ ท่านก็เหวี่ยงเข้าไปเลยท่านระลึกชาติมาแสดงธรรมเลยนะเพราะเราไปฝึกวิธีวิ่นนันวิธีนี่ไปสร้างพลังโน้นไปสร้างสติไปสร้างสมาธินี่แหละเราเรียนรู้จิตวิญญาณด้วย อ, องค์ความรู้ที่คนอื่นเขาบอกว่าเทคนิคนั้นเทคนิคนี้เทคนิคมันมีข้อจํากัดของมันนะบางทีมันเป็นบาดฐานเบื้องต้นอย่างเด็กๆ เ, เดินไม่เป็นเนี่ยแล้วเ ข, ขอให้เขายืนยืนตั้งไข่ลูกยืนตั้งไข่ประคองตัวนะ นะนั่นคือสมาธิเดินมาลูกทีละก้าวนั่นคือสติแต่ตลอดชาติไปทำอย่างนั้นได้ไหมตอนนี้เราวิ่งก็ยังไม่ทันเลยกิเลสมันขี่จลวด น, นะนั่นแหละเราติดบ่วงองค์ความรู้แบบตักกะนะตอนนี้บางคนถามพ่อูแล้วพระกูรัที่อะไรเอาเรื่องเซนมาพูดกันมาพ่อครูพ่อคูไม่มีรัที่นิ่กาย27เจ็ปีพระคูดำรงชีวิตตามธรรมชาติ ไม่มีแม้แต่อย่างใดหลุดจากคำสอนพุทธเจ้านะแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกเฮ้ยไม่ได้เธอต้องเลือกเลยเพราะครูจะเขียนคำว่าเซนไปนี่ยนะแต่เลือกไปทำไมล่ะมันไม่มีความจำเป็นนะเซนก็ยังไม่ใช่เซนเลยนะแต่ทีนี้ภาษาพูดเนี่ยถ้ามันไม่ไม่เรียกพูดมันก็ไม่เข้าใจว่าเราหมายถึงอะไรแต่ใช้ภาษาปุ๊บเนี่ยมันหยาบเกินไปละเหมือนคาว่านิพานเห็นไหมเห็นไม เราแลปลจากบาลีมาไปสะกดเป็นคําว่านิ้พาเน่ไม่ได้สะกดผิดเลยตำลาเล่มเดียวกันพระเดือพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันคนนี้แปลว่าอัตตาคนนี้แปลว่าอนัตตาไงพระพุทธเจ้าเองจึงเตือนว่าอย่าพิ่งเชื่อตําลาตอนนี้เราถูกสอนให้ไปท่องจําตําลาอ้างพระเจ้าว่าอย่างนั้นอ้างพระเจ้าว่าอย่างนี้นะไปจําแล้วก็มาทะเลาะ ก, กันอีกทีนี้เชื่อมโยงไปเรื่องที่สองคำถามที่สองนะก็ การเจริญภาวนาเป็นอย่างไรการปฏิบัติที่ศูนย์นี้เรียกว่าเป็นการเจริญภาวนาหรือไม่ครับก็เอาทางวิชาการที่เขาบันทึกไว้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงภาษาพูดก่อนนะแล้วค่อยเติมเต็มให้ทุกคนเข้าใจภาวนาคืออบรมจิตใจให้ฉลาดตรงต่อเหตุผล รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองและสิ่งทั้งหลายมิให้จิตใจผาดผลโลดแล่นไปตามความคิดนึกเลื่อนลอยไม่มีจุดหมายจิตใจที่ยังมิได้รับการอบรมจากภาวนาย่อมเปรียบประดุดโคที่ยังมิได้ฝึกหัดเทียมเกวียนไม่สามารถไม่สามารถจะลากเกวียนไปได้ถูกตามความประสงค์ฉันใดจิตใจย่อมคิดอ่านนอกลูก่นอกทางฉันนั้น การภาวนาทําให้จิตใจอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงามและเกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตวิธีภาวนาคือการสังเกตจิตใจตัวเองนั่นเองเขาใช้คําว่าสังเกตไม่ใช่จิตดูจิตจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมัก๊กพอพูดปุกคําว่าเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าใจว่าต้องดู เห็นไหมภาษามันหยาบเกินไปนะก็ไปจ้องดูมันก็กลายเป็นมีผู้ดูกับสิ่งที่ถูกเห็นละ่ะเห็นไหมอันนี้เขาใช้คำว่าสังเกตาการสังเกต จ, จิตใจตัวเองนั่นเองโดยใช้สติและลึกรู้โดยใช้ <c oughs> ไม่ใช่ไปฝึกสติสติเรามีอยู่แล้วสติสัมโัชงเรามีอยู่แล้วใช้หมด ไม่ใช่ไปฝึกสติฝึกสมาธิแบบทุกวันนี้อันนั้นเป็นแค่ระดับสัมมถ า, ากรมมฐานนะเหมือนเด็กๆที่หัดยืนหัดเดินนั่นแหละนะสติและลึกรู้ความเคลื่อนไหวไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆ เ, เหมือนตอไม้นะอันนั้นนั่งอยู่เฉยๆก็เป็นอริยบทหนึง่งแต่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบนั้นเคลื่อนไหวความคิดอ่าน ในขณะที่เราเคลื่อนไหวเราเต้นอะไรอยู่เราก็เห็นความคิดอะไรเนี่ยก็เห็นมันเฉยๆนะและอารมณ์ของจิตถ้าเห็นอารมณ์ด้วยเต้นปุ๊บมันเหนื่อยเต้นปุ๊บถ้าถ้าเหนื่อยอนนี้มันเป็นเรื่องเวทนาปัจจุบันนะแต่ถ้าเข้าไปในอารมณ์โอ้มันโกรธมันอะไรเป็นเรื่องของเก่าหรืเป็นธรรมในธรรมนะอันนี้และอารมณ์ของจิตอบรมจิตใจให้ละได้ซึ่งตัณหาคลายความกำหนัดเพลิดเพลินหลงไหล ทำให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ไม่มีเหลือโดยอาศัยหนทางอันปรื่ิยแปดประการก็คือมรรคมีองค์แปดนั่นแหละหรืออีกในหนึ่งคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเรียกว่าภาวนามยะปัญญาอันนี้ในเชิงวิชาการแล้วต่อเลยนะแล้วการปฏิบัติที่ศูนย์นี้เรียกว่าเป็นการเจริญภาวนาหรือเปล่าครับ นะ ก, ก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจคำว่าภาวนาให้ชัดเจนก่อนว่าคืออะไรนะก็พราคกูเริ่มจากยุคนี้เป็นยุคความคิดแบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาจำแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสนนะวิทยาศาสตร์นะ จำแนกแยกแยะไปเจาะลึกไปวิจัยเรื่องนี้นี่ประกอบด้วยอะไรผสมอะไรไปแยกแยะไปสลายปุ๊บไปหาที่มากว่าที่ไปของมันเพื่อหวังผลการเรียนการศึกษาก็แยกวิชาการเพื่อเป็นอาชีพเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นเป็นพ่อค้าเป็นทนายความเป็นอะไรอะไรยิ่งแยกจำแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผล ยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสนสับสนไม่หมดเล ย, เลยนี่คือความคิดแบบวิทยาศาสตร์ทีนี้คนเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยชื่อเพนเพนโตนะคุณเพนโตเนี่ยได้กล่าวว่าพฤติกรรมของคนเรามาจากสามต้นตอเป็นเรื่องของคนสองพันปีก่อนนะเพนโตเนี่ยนะเขาบอกว่า พฤติกรรมของคนเราเนี่ยมาจากสามต้นต่อคือจากความรู้จากอารมณ์ความรู้สึกและจากแรงป่าถนาสามอย่างนะนี่คือสิ่งที่บ่งชี้ชัดครั้งแรกถึงแนวคิดอันว่าด้วยการแบ่งแยกที่เกิดในคนความคิดแบบนี้เป็นต้นต่อของการแบ่งแยกเราแยก อวัยวะต่างเนี่ยอันนี้ตาหูจมูกลิ้นและท้ายนะตับไตไส้พุงแต่อันนี้เขาแยกเป็นสามก้อนใหญ่ๆน ะ, นะแบ่งแยกที่เกิดในคนคนถูกแยกออกมาเป็นสามส่ว น, น, น <ะ S 2> ความรู้สึกมีต้นตอมาจากความรู้ความรู้นะหรือชาวปัญญาเนี่ยต้นตอมาจากหัวสมองหัวสมองเป็นอวัยวะที่อยู่ที่สูงที่สุด อารมณ์ความรู้สึกมีต้นตอมาจากหัวใจหัวสมองหัวใจหัวใจอยู่ตรงตรงกลางนะทีนี้แรงป่าถนามีต้นตอมาจากอวัยวะสืบพันธุ์อันนี้อยู่ข้างล่างสุดแล้วก็ตั้งชื่อให้มันด้วยนะเออถ้าเป็นในสายอินเดียเนี่ย พวกศาสนาฮินดูเนี่ยเขาเรียกวยวัฒเพศชายเรียกว่าอะไรละ่ะซีวะลึงเพศหญิงเรียกว่าโยนนะที่จริงแล้วอวัยวะเรามีสาบประการแต่นี่เขามองว่าเป็นสามส่วนใหญ่ๆนะอันนี้เริ่มต้นที่บันทึกประวัติศาสตร์โลกมาเนี่ยเป็นคนแรกที่มองอะไรแบบแยกส่วน แล้วตั้งชื่อด้วยอันนี้ตับไตไส้พุงอวัยวะตรงนั้นตรงนี้นะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเรื่องสามสามส่วนใหญ่หญหญคือมีสามอย่างนี้นะทีนี้ผ่านมาสองพันปีอีกคนหนึ่งชื่อซิกมันฟลอยนะนักวิทยาศาสตร์เร็วนี้ก็ยังคงเดินตามตามรอยหลักการของการแบ่งแยกของเพนโตนะ พลอยได้กล่าวไว้ว่าเหตุผลคือลาชาคือพระลาชาเหตุผลมันเกิดจากความรู้แบบตักกะเปรียบเทียบเหมือนพระลาชานะอารมณ์ที่อยู่ในใจเราเนี่ยก็คือลาชินีส่วนความรู้สึกทางเพศเป็นทาตรับชายเพราะเป็นของต่ำนะยุคนี้นะ ทีนี้หลายๆศาสนาเนี่ยพอตั้งศาสนานะก็เกิดความลังเกียตเรื่องเพศก็เอาศีลวินัยมามากบเหมือนไว้ลังเกียจมันอย่าไปดูมันกบเหมันไว้นะมันเป็นเรื่องไม่ดีใช้ศีลมากดข่มไว้นะแล้วก็ไปเน้นบางศาสนาก็ไปเน้นที่ปัญญาแล้วปัญญาสม่าเกิดจากการอ่านการท่องจำนักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงนะ่ มีแต่ความรู้แบบตักกะทั้งนั้นบางศาสนาก็บอกว่าเป็นเน้นเรื่องที่อารมณ์มีความสุขมีความเมตตา ม, มีความรักเราแยกแม้กระทั่งพุทธเราเนี่ยถ้าไม่ระวังนะสายนี้เน้นปัญญาสายนี้เน้นเรื่องศีลสายนี้เอาสมาธิอย่างเดียวเราเอาความคิดแบบแยกส่วนไปเรียนเป็นวิชาวิชาวิชา นะทีนี้เมื่อฟลอยได้กล่าวมาแบบนี้ว่าเหตุผลคือราชาอารมณ์คือราชนินีความรู้สึกทางเพศเป็นทาดรับใช้เหตุผลจึงต้องได้รับการเชิดชูสิ่งที่ต่ำชา้าความรู้สึกทางเพศต้องถูกกำจัดไปทำลายอารมณ์ความรู้สึกนั่นเสีย แล้วนำพลังงานทั้งหมดมาอยู่ที่หัวสมองการศึกษาทุกวันนี้จึงเป็นเน้นที่ไอคิวความสามารถทางวิชาการทางองค์ความรู้อย่างเดียวแข็งทื่อเหมือนหุ่นยนต์เหมือนเครื่องจักรด็อกเตอร์ถึงฆ่ากันไงฆ่าเพื่อนแล้วฆ่าตัวเองตายด้วยเมื่อเราเข้าใจความจริงผิดเนี่ย เราไปแยกส่วนมันเนี่ยนะทีนี้บางคนเขียนกันว่าเฮ้ยสมองต้องมาก่อนมันอยู่ที่สูงบางคนว่าถ้าหัวใจมันไม่เต้นอนะสมองมึงก็ตายมึงคิดไม่เป็นหรอกหัวใจมาก่อนความคิดแต่บางคนบอกว่าถ้าไม่มีอวัยวะเพศอยไอหัวใจมึงก็ไม่ได้เกิด ทางฮินดูเขาถึงเขาลบสี่วลึงแต่ยังไงก็ช่างการแยกส่วนแล้วนี่กำลังมันไม่ถึงจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมนะแต่ว่าความรู้ทุกวันนี้นี่มันแยกส่วนนะทุกวันนี้เอาไอคิว เรื่องอารมณ์ปฏิเสธไม่ไม่สนใจเรื่อง EQ ไม่ใส่สนใจเรื่อง MQ morality เรื่องจิตวิญญาณเรื่องของอศีลธรรมแต่ไม่ใช่เอาเอาศีลข้อบังคับเนี่ยไปกดความรู้สึกทางเพศไว้เราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเราต้องรู้เท่าทันมัน นะถ้าเราไปเข้าถึงแกนกลางนะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากทุกคนกลายเป็นเครื่องจักรไปหมดเซนเขากล่าวว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละที่ไม่ยอมให้ท่านปลดแอกความเป็นไทยให้กับตัวเองด้วยเหตุนี้จึงมีสงครามเกิดขึ้นภายในตัวท่านตลอดเวลา ถึงท่านจะไม่สามารถทำลายความรู้สึกทางเพศได้แต่ท่านก็อยู่เหนือมันได้และท่านก็คงไม่สามารถทำลายความรู้สึกทางด้านอารมณ์ได้เช่นเดียวกันจิตใจยังคงทำงานของมันไปเรื่อยสารฝันไปเรื่อยบางทีมันอาจจะหลบอยู่ในจิตใต้สำนึกของท่านเพราะท่านเฝ้ามองมันอย่างเป็นปฏิบัต เราหลังเกียดมันนะมันก็หลบซ่อนอยู่นะมันจึงต้องหาถ้ำที่ลึกและมืดมิดเพื่อจะหลบไปอยู่ตรงนั้นอารมณ์ไม่อาจถูกทำลายแต่มันสามารถแปลสภาพได้ความรู้สึกทางเพศเช่นเดียวกันทีนี้เราเข้าใจคำว่าความรู้สึกทางเพศปุ๊บ เราไปมองถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวไม่ใช่นะเดี๋ยวเราอ่านต่อไปด้วยนะยิ่งคนได้รับการศึกษามากขึ้นเท่าใดเขาก็จะมีชีวิตชีวาน้อยลงเท่านั้นยิ่งเขารู้มากเขาก็จะมีชีวิตที่แท้จริงน้อยลงคนที่ถูกจํากัดไว้ด้วยความคิดจากหัวสมองจะสูญเสียสิ่งความชุ่มชำ่ำและรสหวานของความเบิดบาน ความรู้สึกทางเพศหูกมองว่าเป็นเรื่องต่ำเป็นเรื่องธาดรับใช้เพราะไปมองว่าเป็นแค่เรื่องสื่อพันธุ์เท่านั้นมนต์เสน่ห์ทางเพศนั้นมันไม่ได้หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่ความหมายของความรู้สึกทางเพศกว้างใหญ่ไปกว่านั้นมากเมื่อใดก็ตามถ้าท่านรู้สึกได้ว่า ร่างกายของท่านมีชีวิตชีวารู้สึกได้ถึงการสัมผัสรู้สึกได้ถึงชีพชอจรที่กำลังสั่นสะเพื่อมนั่นแหละคือสภาวะทางเพศตัวอย่างในขณะที่ท่านกำลังเต้นลำในขณะที่ท่านกำลังเต้นลำนั่นแหละท่านกำลังเข้าสู่มนสเสณรทางเพศพลังงานในการเต้นลำก็เป็นพลังงานของมนสเสณรทางเพศ มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะท่านอาจไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศเลยขนาดนั้นท่านจะหลอมรวมเข้าไปมีส่วนร่วมกับร่างกายได้ค่อนข้างลึกมันคือมวลเสน่์ ท, ทางเพศที่แท้จริงท่านอาจจะกำลังว่ายน้ำเรากาลังว่ายน้ำนะหรือกำลังวิ่งอยู่นะก็ได้แค่เป็นหนึ่งเดียวกับมัน อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นมนสเนทางเพศไม่ใช่ว่าเพศเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพัน์อะไรนะันไม่ใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะก็เพื่อเห็นภาพชัดนะว่าทำไมคนเราคิดไม่เหมือนกันแล้วก็ทำไมมีนานาจิตตังนะก็นิทานเซนอีกแล้วละ่ะวันนี้เป็นเรื่องของเซน ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนยอดเขาในขณะนั้นมีชายสามคนเดินทางมาด้วยกันบังเอิญเหลือบขึ้นไปยอดเขาก็เห็นชายคนหนึ่งอยู่บนยอดเขาชายคนที่หนึ่งก็คิดว่าเขาขึ้นไปยอดเขานั่นเพราะเขาคงทําสัตว์เลี้ยงที่เขารักเนะ่ะหายไปเพราะชายคนนี้เนี่ย มีอาชีพเลี้ยงวัวนะวัวเขาเคยหายเขาก็ขึ้นไปที่สูงมองหากวัวเขาหน่อยเขาก็เลยคิดว่าชายคนนั้นเนี่ยขึ้นไปยอดเขาเนี่ยคงไปมองหาสัตว์เลี้ยงของเขาน่าจะหายส่วนชายคนที่สองเนี่ยคิดว่าเขาขึ้นไปยอดเขานั้นเพราะเขาคงสูญเสียเพื่อนรักไปเพื่อนเขาคงหายไปมั้งเขาคงไปยืนดูดูเพื่อนเขา ทีนี้ชายคนที่สามคิดว่าเขาขึ้นไปยอดเขานั้นน่าจะไปสูดอาการบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์สามคนคิดไม่เหมือนกันแล้วก็เริ่มถกเถียงกันขึ้นฉันว่าอย่างนี้ฉันว่าอย่างนี้นะเถียงกันเดินไปด้วยเดินไปพอไปถึงยอดเขาไปต่อหน้าชายคนนั้นทุกคนหยุดเถียงกันทันทีเลย เพราะทุกคนแน่ใจว่าเราถามเจ้าตัวเขาเลยนะการถกเถียงจึงเกิดขึ้นต้องไปถึงยอดเขาเท่านั้นพวกเขาจึงจะหยุดการถกเถียงได้ด้วยการที่ท่านได้เผชิญกับความเป็นจริงเท่านั้นการถกเถียงจึงจะยุติลงยิ่งท่านอยู่ห่างจากความเป็นจริงมากเท่าไหร่การถกเถียงก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นการถกเถียงเชิงปัจฉยา แต่ท่านอยู่ใกล้ความจริงมากเท่าไรการถกเถียงก็จะน้อยลงไปด้วยเมื่อใดที่ท่านได้เผชิญหน้ากับสิ่งนั้นเมื่อนั้นการถกเถียงก็จะหยุดลงในทันทีที่พวกเขาได้ไปถึงที่ชายคนนั้นยืนอยู่การถกเถียงก็หยุดลงถึงแม้การถกเถียงจะหยุดลงแต่นิสัยเก่า ก็คือกิเลสนั่นแหะนะก็ยังคงดำเนินต่อไปมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะถกเถียงกันต่อไปเพราะพวกเขาสามารถถามเจ้าตัวได้โดยตรงทีนี้คนที่หนึ่งถามว่าสหายการที่ท่านมายืนอยู่ตรงนี้เป็นเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักหายไปใช่หรือไม่เขาตอบสราวมันไม่ได้หายไป คนที่สองแสดงว่าเสร็จฉันละเธอถามไม่ถูกคนที่สองก็ถามว่าท่านสูญเสียเพื่อนรักท่านไปใช่หรือไม่ตอบเปล่าเราไม่ได้สูญเสียเพื่อนรักเราไปไอคนที่สามว่าเสร็จกูแน่แน่พวกมึงถามไม่ถูกเลยกูชนะเนี่ยเนี่ยคนที่สามถามว่าท่านที่มาตรงนี้เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ ใช่หรือไม่ตอบตว่าเปล่าทีนี้สามคนถามพร้อมกันเลยถ้าเช่นนั้นแล้วท่านมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยจุดประสงค์อะไรถ้าถามแต่ แ, ตแรกเราอยากรู้ความจริงใช่ไหมก็ถามว่าคุณมายืนอยู่ที่ทำไมแต่ส่วนมากเนี่ยเราจะถามนำเพื่อเราต้องการเป็นผู้ชนะ เราถึงทะเลาะกันทุกวันนี้ขนาดเจอพระพุทเจ้าแล้วเจอเยซูแล้วเจอพระอัลเลาะห์แล้วมันก็ยังแยกเป็นหลายละทีน่นิกายไงธรรมดาคนแรกมันถามแล้วไอ้คนที่สองมันน่าจะตื่นตัวนะมันก็ยังถามตามกิเลสมันอีกคนที่สามได้เปรียบมากเลยถ้ามันตื่นขึ้นมามันก็ต้องรู้ว่าเฮ้ มันก็ต้องถามว่าคุณมายืนที่นีน่ทําไมใช่ไหม ย, ยังถามตามกิเลสตัวเองอีกเพื่อต้องการชนะเขาต้องการคําตอบที่เขาพอใจชีวิตพวกเราตอนนี้เป็นอย่างนี้หมดนะชายคนนั้นตอบไปว่าข้าเพียงแค่มายืนอยู่เฉยๆเท่านั้นข้าเป็นอยู่อย่างนี้ข้าไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้น ชายผู้นั้นกล่าวอย่างเรียบง่ายว่าข้าคือจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมนั้นสามเหลี่ยมคืออะไรสามเหลี่ยมพิรามิดนี่นะทั้งบนคือสมองไอ้คนแรกเนี่ยคือสมองมันคิดแต่ว่ามันสูญเสียทรัพย์สินมันไปไงกลัวมันหายไงมันต้องไปหาทรัพย์สินมันให้ได้ไอ้คนที่สองเป็นเรื่องของ หัวใจอันนี้ยังมีเมตตามีความรักรักเพื่อนมันก็ไปตามหาเพื่อนอันนี้เป็นเรื่องของหัวใจส่วนที่สามเนี่ยเป็นอ ว, วัยวะเพศอันนี้เป็นเรื่องความรู้สึกของเพศเพศไม่ใช่ว่าผสมพันธุ์มันก็คิดแต่ ว, ว่าเอ้ยมันน่าจะไปหายใจอาก า, า, กาศบริสุทธินะ เพราะมันจะรู้สึกดีอันนี้ความรู้สึกทางเพศความรู้สึกของเพศนะทุกคนมองไปตามที่จลิตของตัวเองอารมณ์ตัวเองเป็นอย่างนั้นทีนี้คนนั้นเขาตอบว่าถ้าคือจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมนั้นอยู่ตรงกลางเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขารู้ทั้งหมด นี่คือสักแต่วรู้สักแต่วัเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินอันนี้มองไกลๆตัดสินก่อนว่าเขาน่าจะไปหากลัวเขานะเขาน่าจะไปหาเพื่อนเขานะเขาน่าจะไปสู่อาการบริสุทธิ์นะมีแต่เรื่องคาดคะเน่ทั้งนั้นนะทีนี้เขาพูดต่อไปนะ ชาวเซนยืนการในการเป็นอยู่อย่างตรงไปตรงมาค่อนข้างมากหากท่านถามตรงๆท่านจะได้ได้รับประสบการณ์เชิงบวกแต่ถ้าท่านถามอ้อมๆท่านจะได้รับคำตอบในเชิงลบเซนมองอะไรตามความเป็นจริงความเป็นจริงไม่ได้แยกส่วนไม่ได้แยกส่วนนะ แต่ทาเวิทยาศาสตร์แยกส่วนเป็นสามส่วนผู้เจ้าบอกให้เรามีเรามีอวัยวะสามสิบสองประการมันเป็นความจริงแต่ว่าพระองค์ไม่ได้แยกส่วนไม่ใช่สมองทำงานด้วยตัวมันเองได้หัวใจทำงานเองได้อวัยวะเพศทำงานงไม่ได้มันรวมกันหมดนี่นะ อย่าถามหาความจริงด้วยคำถามที่อ้อมคอมอย่าถามด้วยความลำเอียงด้วยอัคติจงถามอย่างตรงไปตรงมาละทิ้งสิ่งที่อยู่ในใจของท่านโยนอัคติความลำเอียงออกไปเอาสันนิษฐานที่มีไว้ล่วงหน้าและหลักปัชญาทั้งหลายออกไปให้หมดแล้วถามไปตรงๆง นั่นคือสิ่งที่เซนหมายถึงเวลาพูดถึงการมองอย่างตรงไปตรงมาในธรรมชาติของสิ่งนั้นๆเพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่าภาวนาเราปฏิบัติที่ศูนย์เรายืนอยู่เฉยๆไหมเราเดินอยู่เฉยๆไหมเรานั่งอยู่เฉยๆไหม เรานอนอยู่เฉยๆไหมเราเต้นอยู่เฉยๆไหมเราลำอยู่เฉยๆไหมนี่คือการภาวนาแต่การไปฝึกโน้นฝึกนี่กำหนดโน้นกาหนดนี่มันไม่ได้เรียกว่าภาวนามันเรียกว่าวิชาเจริญสติวิชาฝึกสมาธิมันจึงไม่ไปไหนไงไม่ได้ทำอะไรทั้งสิน้นไม่คิด ไม่รู้สึกไม่รู้สึกฟังดีๆนะไม่รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้นะเพราะครูบอกรู้เฉยๆถ้ารู้สึกเมื่อไหร่เนี่ยมันรับรู้แล้วมันไม่สักแต่ว่ารู้นะไม่ไม่เพราะครูไปเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันตรงหลายปีที่ผ่านมาเพราะครูไม่รู้หรอกภาษาเหล่านี้แต่จิตมันทำแบบนี้แหละทำอย่างอื่นไม่ทำาลย แต่เมื่อมาถึงเวลาเราเห็นแล้วก็โอเคเอามาอ่านให้พวกเราฟังและเราจะรู้ว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันเรียกว่าภาวนาไหมนะไม่รู้สึกรู้เฉยเฉยไม่มีสำนึกเรื่องเพศได้อยู่ที่ร่างกายที่หัวใจหรือที่หัวสมองไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่แห่งหนึ่งแห่งใดเพียงแค่ยืนอยู่ตรงศูนย์กลาง ของสามเหลี่ยมศูนย์กลางของความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมไม่ได้แยกส่วนอันนี้ไปเพ่งมันนะไปเพ่งแยกฐานกายฐานเวทนาไปดูจิตอันนั้นไม่ใช่เจริญภาวนาอันนั้นเป็นวิชาฝึกสมาธิเจริญสติเท่านั้นเองนะเซนไม่แยกส่วนนะ เซนนี่ก็แตกแขนงออกไปจากพุทธนะเพราะอาจารย์ตักมอพระโพธรมเนี่ยก็เป็นพุทธแต่บังเอิญว่าเป็นพุทธซึ่งจิตเป็นเซนเนี่ยเขาไม่ติดรูปแบบเขาไปชื่อถึงที่ไหนเขาก็าวัทํธรรมนั้นเนี่ยบูรณาการใช้ไม่ใช่ไปเปลีป่ยนชีวิตเขามันเซนมันเกิดขึ้นจากการบูรณาการไม่มีสูตรตายตัวนะ ครูพูดบ่อยๆเอาล่ะนักวิทยาศาสตร์เขาแยกเป็นสามสมองหัวสมองหัวใจอวัยวะเพศนะมันก็บอกว่าถ้าไม่มีอวัยวะเพศเราก็ไม่ได้มาเกิดหัวใจก็ไม่เต้นถ้าหัวใจไม่เต้นสมองมึงก็คิดไม่เป็นนะมันยังยากผู้เจ้าเราประกอบด้วยขันห้าที่พวกครูบอกกันเลูก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะก็แยกเป็นสามกองนะรูปนี้คือกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟประกอบอวัยวะทุกอย่างแล้วมันยังแค่นี้มันประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขาร น, นะไอ้ตัวนี้มันเป็นส่วนที่ให้มันเชื่อมโยงกันอันนี้เป็นตัวอารมณ์เป็นเจตสิก แล้วเรามีจิตจิตถ้าไม่มีวิญญาณก็รับความรู้สึกไม่ได้นะวิญญาณนั่นคือจิตเป็นสามกองเหมือนกันแต่เป็นสามกองที่สมบูรณ์แต่นักวิยาศาสตร์สามกองนั้นอนะไล่สาระสามกองแบบแยกส่วนขันห้ามันไม่ได้แยกมันเกิดปุ๊บมันไหลเลยรูปเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารวิญญาณเกิดภายในหนึ่งวินาที แต่ถ้าเราจเจริญภาวนาเนี่ยเราจะเห็นขั้นตอนของมันเมื่อเห็นรูปปุ๊บเราสักจะว่าเห็นมันดับมันปุงต่อไ ป, ไ, ปไม่ได้ความรู้สึกของอารมณ์รู้สึกทางเพศกระทั่นมันเกิดปุ๊บเรารู้ปุ๊บมันดับขันห้าปูนแตวต่อไม่ได้เห็นไหมผู้เจ้าเนี่ยพระครูึงถวายชีวิตเนี่ยเพียงแต่ว่าหลายลทัทธินิกาย ก, ายก็แตกแข น, นขงไปทางพูดเรา แต่จุดเน้นมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะเซนเขาไม่หลวมตัวที่จะไปสร้างเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นถ้าจิตเราเป็นเซนจริงๆเนี่ยเราสามารถจะบูรณาการสิ่งแวดล้อมใหม่ๆให้มันมีประโยชน์กับสิ่งที่เราทําได้ทุกเวลาไไมไม่งั้นโปรแกรมนี้เกิดขึ้นไม่ได้มันจะไปติดบ่วงนะเฮ้ยไม่ได้เราต้องซื่อสัดจ่อ เขาสอนเราว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อันนั้นกลายเป็นลัทธินี้กลายแล้วนะศูนย์เราไม่มีลัทธินี้กายแต่บังเอิญว่าสังคมไทยเราเนี่ยถือเทรวาสเทรว า, วาสก็ดีไงมหายานก็ดีะไยดีหมดอ่ะเมื่อมันมีอยู่แล้วก็ดำเนินไปแต่จะไปหลงว่ามันดีที่สุดไม่ใช่ถ้าบอกดี ส, สุดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นของคู่ทันทีเลย สมองสูงสุดมันก็มีตัวต่ําสุดเห็นไหมโยคะเขาถึงตีลังกาเอาขาชี้ฟ้าไงให้สมองมันต่ํากว่านะไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีสูงไม่มีตม่ำทุกเอเยาว์าทุกอย่างเสมอภาคเอาแค่ไส้ติ่งแตกเฉยเห็นไหมไส้ติ่งแตกเฉย ถ้าไปหาหมอไปทันก็ตายแล้วไงมันห่างหัวใจมากเลยทำไมมันตายล่ะมันไม่ได้อยู่กันแบบแยกส่วนแบบนั้นนะมันบูรณาการพู้เจ้าถึงสอนเรื่องเริ่มจากอนุสติอนุสติคือสติเล็กๆอ่าสมถมากรรมฐ า, านเหมือนเด็กๆหัดเดินเนี่ยอยู่ในฐานกายก่อนแต่ไม่ใช่ร้อยปีร้อยชาติก็ไปอยู่ในฐานนี่ย น, นะ มันไม่ไปไหนนะอย่างพุทธศาสนาโดยเฉพาะสัมมากรรมฐานเนี่ยเรามี40องกรรมฐานเป็นตัวอย่างเพื่อให้เราเลือกใช้แต่ไม่ใช่ว่าเป้าหมายประจบอยู่ที่ตรงนั้นไม่ใช่ในในเมืองไทยเราเนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกไม่ถึง40องด้วยนะ เอาละพุทโทในพระไตรปิฎกไม่มีคําว่าพุโทโธให้มีเราตามลมหายใ จ, ใจเข้าออกก็คืออาณาปณสตินั่นแหละแต่บังเอิญครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเราเนี่ยเป็นต้นตํำรับมาทั้งทฤษฎีนี้อเพื่อมันจําง่ายลมหายใจเข้าพุทลมออกโท อ, อันนี้ลมหายใจก็ไม่ใช่กายนะ ไม่อยู่ในกายเวทนาจิตทำด้วยแต่มันเป็นอายตนะภายนอกซึ่งมีความสัมพันธ์กับร่างกายเราเราไม่หายใจหนึ่งนาทีเราก็ตายเลยนะ mm. นี่แหละคือเขาก็เอาตัวนั้นน่ะมาเป็นตัวกำหนดไม่ได้ผิดแต่อย่าไปหลงว่าต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นอ่ะมันไม่ใช่อันนั้นก็เป็นอุบายวิธีฝึกอนุสติให้จิตเรามีที่เกาะ เท่านั้นเองลมหายใจคืออานาคืออากาศเรียกว่าอานาเราต้องพัฒนาอานาให้กลายเป็นปราณะเป็นปราณขึ้นมาเหมือนคนจีนปุกใช้แก๊กขุกชีก่กงเพื่อให้มันเกิดลมปานเห็นไหมถ้ารถยนต์เนี่เครื่องไม่ติดเนี่ยมันไม่หมุนเนี่ยมันไม่มีพลังนะเราสร้างลมปานเพื่อให้จิตมันมีพลัง เพื่อให้มันมีพลังปล่อยวางหัวใจใจมันดึงจิตไว้ถ้านเราสตาร์ตติดแล้วเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ไต้หวันเนี่ยท่านสตาร์ตเครื่องติดแล้วแต่ท่านก็อยู่ตรงนั้นแหละท่านใส่เกียร์ไม่เป็นให้มันเดินไปไงอันนั้นคืออนุสตินะอาณาปานสติเนี่ยเป็นส ม, มถะกรรมาฐาน แต่เขาสามารถพัฒนาไปสู่วิปัสสนากรรมฐานได้ผู้เจ้าตัดเรื่องนี้ชัดเจนมากว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์คือกายเวทนาจิตธรรมต้องบริบูรณ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวอันนี้เรามาอยู่ในขวาหนอซ้ายหนออยู่ในกาย มันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวพลังมันไม่พอนะสติปัฏฐานทั้งสี่ต้องบริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่อันมุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเราก็ไม่สามารถเสพทำในธรรมท่ามาลมที่ฝังรากลึกอยู่จิตใต้สำนึกเรานั่นแหละคือโพชฌงโพชฌงเป็นบารามีเก่าเราฝึกมาหลายภพหลายชาติ ไม่ว่าจะเป็นสติสามโพชงธรรมวิจยะสามโพชงวิทยาสามโยมมันเป็นบา ร, รมีเก่าเราเราต้องเข้าไปเอามาต่อยอดทีนี้พระพุทธเจ้าก็าตัดต่อไปว่าโพชงทั้งเจ็ดอันบุคคลที่เจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาช่อช้างสองตัวคือตัวปัญญาเนี่ยให้มันฟื้นขึ้นและวิมุตติความดุดทนสมบูรณ์ อาณาปณะสติเป็นหนึ่งในอนุสติสิบอยู่ในสี่สิบกองกรรมฐานเป็นสัมมาถากรรมฐานแต่สามารถพัฒนาไปสู่วิปัสสนาได้แต่ต้องเร่งสติหมุนวงล้อของธรรมจักรเราสตาร์ทเครื่องยนต์ผิดเราใส่แก้วปุ๊บมันดับเลยเห็นไหมเพราะเครื่องไม่มันพลังไม่พอเราต้องเร่งเครื่องอันนี้คือเร่งสติหมุนวงล้อของธรรมจักรให้มันมีพลัง อย่างเฮลิคอปเตอร์นี่เราสตาร์ทเครื่องติดแล้วมันห่อไม่ได้นะเพราะมันหมุนช้าไปแล้วต้องเร่งสปีดมันเร็วถ้าแรงเหวี่ยงนั้นน่ะพลังตรงนั้นน่ะลมปานตรนั้นน่ะมันมากกว่าแรงดึงดูดของหัวใจแล้วเนี่ยนะมันก็เข้าไปสู่จิตในจิตเฮลิคอปเตอร์ก็ห่อได้ <นะ S 1> ไอที่พูดมาทั้งหมดไปเจดกไม่ได้ผิดแต่อยู่ว่าไหนขั้นตอนไหนเท่านั้นเอง พระรู้เจ้าถึงเตือนว่าอย่าพึ่งเชื่อตำลาอันนี้เราถูกสอนว่าไปท่องจำตำลาผู้เจ้าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอาว่างเหมือนกันเนี่ยนิทานเนี่ยทำไมแปลไม่เหมือนกันล่ะอย่าไปหลงงงง่ายนะวันนี้พระครูก็เอาเซนมาอ่านให้ฟังนะแต่เซนไม่มีลัทธิเซนไม่ใช่นิกรายเซนไม่ได้เป็นอะไรเลย พ่ะครูก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยถ้าพระครูเป็นรัฐที่นะไอ้โปรแกรมที่เราปฏิบัตินี่เกิดขึ้นไม่ได้มันจะขัดแย้งกับลัทธินีกายที่เขาตั้งมาไงเราไม่มีเราไม่มีมมทําแบบไหนก็ได้ให้จิตมันเป็นหนึ่งให้มันเป็นหนึ่งไม่แยกส่วนแล้วเราจะรู้ทั้งหมด พระครูพุ่งเปิดเห็นนะเมื่อมีคำถามแล้วก็ไปเปิดดูมันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนกับสิ่งที่เราทำทั้งหมดคำว่าสัต์แต่วรู้สักจ์แว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินแต่บางสายบอกไม่ต้องไม่ตั้งไม่ต้องทาอะไรเลยถ้าทำได้นะไม่ต้องคิดไม่ต้องมีเจตนาถ้าทำได้ก็เท่ากับทาสาน เขาบอกไม่ต้องปฏิบัตินี่โรดมีอยู่แล้วนี่ทานมีอยู่แล้ว <ฮะ S 1> ถ้าอย่างนี้ทาสานก็ทําได้แล้วไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดด้วยรอวันตายเสียชาติเกิดมันต้องมีการปฏิบัติผู้เจ้าบอกปริยัตปฏิบัติปฏิเวทอันนี้บอกไม่ต้องปฏิบัติปฏิบัติแต่ในการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสิน แต่ไม่ใช่ว่าไม่ไ ม, ไม่ต้องทำอะไรมันก็เท่ากับภาสานเท่ากับลิงเห็นไหมก็อยู่ไปวันวันหนึ่งไงถ้าเราไม่คิดนะเวลานั้นไม่ต้องคิดด้วยไม่ด้วยเราก็ไม่ทุกข์เท่านั้นเองเป็นคนไม่ทุกข์แต่เราไม่้นทุกข์เราอย่ากแกล้งลืมนะนี่เก่าเรามันจะเกิดปัญญาได้ยังไงนี่แหละก็ไปหลงอีกไง อา่านเ้นก็อาต้องอ่านระวังนะเฮ้ยเซนบอกยืนอยู่เฉยๆอ่านั่นคือภาวนาไงเราก็นั่งเฉยๆทั้งวันยืนอยู่เฉยๆเฉยๆถ้าท่าอย่างนั้นก็เหมือนระดับมันมีระดับสมถะกับวิปัสสนาถ้าเราอย่าไปหาเรื่องคิดเราก็ไม่ทุกข์ไงเราก็แค่ไม่ทุกข์แต่ยังไม่พ้นทุกข์ ข้างในจิตมันยังไม่ผ่องใสมันยังมีกิเลสตัณหาอุปทานเราต้องเข้าไปเรียนรู้กับมันแต่ช่วงไปเรียนรู้เนี่ยอย่าอยากรู้อย่าพิจารณาอย่าจัดอย่าจัดสินรู้เฉยเฉยเห็นไหมก็อีกห่านาทีนะก็เตือนนะบางท่านมาใหม่ๆแล้วก็เข้าไปในจิตได้ก็มีความสุขกับมันนะ เขาไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นหลงติดมันเมื่อไหร่เวลาเขายืเนเดินนั่งนอ น, น, อนก็ไปรอนไปลำไปอะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเป็นจิตวิปลาสนะแล้วบางคนก็ไปปิ๊งสเสด็จพี่สเสด็จน้องลูกลักวิ่งไปกอดกันนี่อันนี้ก็ระวังเราเกิดมาเพื่อปลดบ่วงไม่ใช่ไปสร้างบ่วงใหม่ <c oughs> เห็นไหล่ะไม่สักแต่ว่าเห็น เห็นนิ่มิดอะไรก็ช่างเราเห็นจริงอะสิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันจริงในอดีตมันจริงแต่มันผ่านไปแล้วมันเป็นอนัตตาไปแล้วมันไม่จริงสักอย่างนึงเห็นก็สักแต่ว่าเห็นโอ้นั่งไปเสด็จพี่เสด็จน้องตามหาเธอมาตั้งหลายชาติแล้ววิ่งไปกอดกัน ไม่รู้เท่าทันอารมณ์เราหลงอารมณ์กรรมาฐานไงจิตวิปลาสนะไม่เอานะอุยไม่เอาแลไม่ไม่กล้าเข้าไปเราจะกลัวเอา้าไม่กลัวก็ไม่ต้องทำอะไรก็รอวันตายไงคุณแก้งลืมหนี้เก่าแก้งลืมได้ไหมเราเกิดมาเพื่อรังห น, นี้ไม่ใช่มาปลูกใหม่อย่าหลงสภาวะ นะอันนี้ก็เตือนเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาใตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมท้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติธปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิเน